ในเช้าวันนี้ก็ขอให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายชงตั้งใจทำความเพี่ยนตรงตั้งใจทำหน้าที่ เป็นพระสงฆ์สาวก ข, ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเมชีเป็นสมณ น, นเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระตาาคตก็ขอให้ทุกคนตรงตั้งใจทำสมาธิสร้างความเปลี่ยนให้กับตนเองเพื่อให้เกิดสติปัญญา เพื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในเจ้าวันนี้นั้นก็จะพูดถึงเรื่องความตายความตายในที่นี้หมายถึงอะไรความตายในที่นี้หมายถึงความดับ การดับไปหรือว่าความดับการดับไปก็คือความตายนั่นเองรณนี้ความตายมีอยู่เยอะแยะมากมายเราคิดว่าความตายคือการที่เราไม่ได้หายใจแกขณะที่เราหายใจอยู่ความตายก็เกิดขึ้นได้ทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นทำไมถึงพูดเช่นนั้น ขณะที่เรายังหายใจอยู่ทำไมเราถึงตายได้ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายได้นั่งพินิษพิจารณาไปว่าความตายที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่าแม้กระทั่งการเกิดก็เป็นทุกข์ แม้กระทั่งความแก่ก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งความเจ็บก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งความตายก็เป็นทุกข์ในที่สุดของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ทุกข์เลยเพราะนั้นเราอย่ามัวแต่หลงกายอย่ามัวแต่หลงตัวหลงตนอยู่เลยถ้าเรามัวหลงกายหลงตัวหลงตนอยู่เนี่ยเราก็จะมองไม่เห็น การเกิดการแก่การเจ็บการตายที่เกิดขึ้นในตัวเราเพราะนั้นให้พินิษพิจารณาว่าการตายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราตายด้วยโรคชะลาตายด้วยความเจ็บป่วยตายด้วยอุบัติเหตุต่างๆตายด้วยวิบากกรรมหรือว่าตายด้วยผลกรรมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนเป็นความตายทั้งหมดทั้งสิ้น นี่มันอยู่เบื้องหน้าเราองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้กล่าวว่าให้เราพิจารณาความตายเป็นหนึ่งนิดให้เรามองเห็นความตายอยู่ให้เจริญมรณานุสติก็ให้นึกถึงความตายอยู่เป็นประจำว่าคนเราเกิดมาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันทุกคน แต่อยู่ที่แต่ละคนจะตายอย่างไรอยู่ที่แต่ละคนจะตายเช่นไรก็เท่านั้นเองเพราะนั้นในขณะนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังรู้ตัวรู้ตนอยู่เรายังมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวัฏสงสารคือการเวียนว่ายใจเกิดภายในตัวเราอยู่อันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเนี่ยเราจะเข้าใจหรือเปล่า เราจะ finish, พินิษฐ์พิจารณาได้หรือเปล่าว่าการเวียนว่ายตายเกิดภายในกายเราภายในใจเราเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรเข้ามาภายในกายแนละภายในใจเราบ้างอะไรที่เข้ามาวนเวียนอยู่ในกายเราอะไรที่เข้ามาวนเวียนอยู่ในใจเราบ้างชีวิตเราผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องเจอคืออะไรบ้าง เพราะนั้นเราต้องพิจารณาเราต้องมองให้รู้เราต้องดูให้ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคือความเป็นไปในวัฏจะก็คือความเป็นไปในการเวียนว่ายใจเกิดนั่นเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในกายที่ผ่านเข้ามาในใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เวียนว่ายใจเกิดทั้งสิ้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปในที่สุดไม่มีสิ่งใดเลยที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ดับไม่กระทั่งชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราอย่าประมาทกับชีวิตเลยวันหนึ่งเมื่อเรามีชีวิตเราจะใช้ชีวิตเราทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองมากที่สุด เราจะใช้ชีวิตทำอะไรที่ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดแล้วเราลองคิดเราลองพิจารณาว่าชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยกว่ า, า จ, จะได้มานั่งทำความดีได้เนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายผ่านวิบากกรรมผ่านบุปกรรมมาเยอะแยะมากมายพอเราเริ่มมานั่งทำความดีเนี่ยบางครั้งชีวิตเราก็รู้สึกเปื่อนนายไม่อยากจะทา บางครั้งชีวิตเราก็รู้สึกท้อแท้ไม่อยากจะททำบางครั้งชีวิตเราก็รู้สึกท้อถอยไม่อยากจะททำชีวิตเหล่านี้เนี่ยเปรียบเสมือนชีวิตที่ตายทั้งเป็นอลองฟังไปว่าขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ชีวิตเราตายได้หรือเปล่าเมันเปรียบเสมือนชีวิตที่ตายทั้งเป็นเลยเพราะเราทำอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่ามันขัดใจไปหมด เราทําอะไรเราสึกว่ามันขุ่นคล่องหมองมัวไปหมดเลยแล้วเราลองคิดเราลองพิจารณาว่าไอ้กายเราไอ้ชีวิตเราที่กําลังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจชีวิตเราดีแค่ไหนเราเข้าใจใจเราดีแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแม้กระทั่ง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจเราก็เช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนั่นแหละมันก็เปรียบเสมือนการเกิดเกิดขึ้นแล้วมันก็ตายไปเช่นเดียวกันและก็ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเช่นเดียวกันแล้วก็เปรียบเสมือนเกิดแล้วก็ตายเช่นเดียวกัน เวก้าทั้งอารมณ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปก็เปรียบเสมือนการตายก็เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับยากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตายยากมันคืออะไรมันก็อยู่ในจิตอยู่ในใจอยู่ในกายเรานี่ยแหละมันดับมันยากเหลือเกินมันตายยากเหลือเกิน ใจที่มันมีความคิดเป็นอกุศลเนี่ยมันดับยากใจที่มันมีความคิดความอิจฉาลิสยาเนี่ยมันดับยากใจที่มันเกิดความรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างใจที่เกิดความรู้สึกว่าสุขบ้างทุกบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใน ใ, นใจเนี่ยเกิดแล้วมัน ดับยากเกิดแล้วมันตายยากเหลือเกินทำไมเราดับมันไม่ได้ทำไมเราหยุดไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรเพราะใจเราพุ่งแต่งเพราะใจเรากังวลเพราะใจเราต้องการอย่างนั้นมันถึงเกิดอย่างนั้นขึ้นมาถ้าใจดวงในดวงหนึ่งไม่ต้องการเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เกิดเมื่อเราต้องการมากมากเนี่ย มันก็จะเกิดเป็นก้อนอารมณ์ก้อนอารมณ์ในที่นี้หมายถึงอะไรก็ทั้งอารมณ์ทั้งความคิดทั้งความรู้สึกรวมไปถึงจิตที่มันปุงแต่งขึ้นมาต่างๆนานาที่มันคิดมันก็จะรวบรวมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจนเกิดเป็นก้อนอารมณ์ฝังอยู่ในจิตในใจเรา เมื่อมันฝังอยู่ในจิตในใจเรามากเข้ามากเข้าเราก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรสิ่งที่มันเกิดอยู่ในใจเราเนี่ยมันคืออะไรและทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นใจเราคิดอะไรอยู่ในขณะนี้ใจเรากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ใจเราต้องการอะไรอยู่ในขณะนี้เราตามมันไม่ทัน เรารู้มันไม่ทันมันจึงทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยดับไม่ได้เมื่อเราดับไม่ได้เนี่ยชีวิตเราก็เหมือนตายทั้งเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าจะหาหนทางดับยังไงเราไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยคนที่ดับใจตัวเองไม่ได้ดับความคิดไม่ได้ดับความรู้สึกไม่ได้ ดับอารมณ์ไม่ได้เพราะทุกสิง่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องดับไปถ้ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับเนี่ยเราก็จะลำบากลำบากอยู่ที่ตัวเราเพราะเราไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหนจะหาหนทางไหนเพื่อที่จะดับมันได้ถ้าเราดับมันไม่ได้เนี่ยมันก็กลับมาทำร้ายเราเราดับไม่ได้เนี่ย มันก็ทำให้เป็นทุกข์เป็นโทษเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะนั้นอย่างที่ได้บอกไปว่าการตายเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องหมดลมหายใจถึงจะตายขณะมีลมหายใจอยู่ก็ตายได้เช่นเดียวกันเปรียบเสมือนคนที่ตายทั้งเป็นเมื่อเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตนแล้วก็เปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล้วคนที่ไม่ได้มีสติปัญญา ไม่ได้พินิษ์พิจารณาถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราในตัวเราเนี่ยเราจะแก้อย่างไรเราจะพิจารณาอย่างไงเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้สิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอีกเพื่อไม่ให้สิ่งนี้เนี่ยมันมาทำหน้าที่ในกายเรามาทำหน้าที่ในใจเรา เราต้องเป็นผู้ควบคุมไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ตามถ้าเราเป็นผู้ตามเนี่ยยังไงก็เปรียบเสมือนเราตายทั้งเป็นเลยเพราะเราไม่ได้เป็นหัวหน้ามันถ้าเราเป็นหัวหน้าเราสามารถควบคุมได้เราดูแลได้เราบังคับมันได้เนี่ยไอ้จิตเราไอ้ใจเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ประพิปฏิบัติต้องทำความเข้าใจบ่อยๆ บางครั้งเราทำความเข้าใจแล้วแต่เราก็ยังทำไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรเ ป, เป็นเพราะเราตามตามใจตัวเองปล่อยใจตัวเองเมื่อเราตามใจตัวเราเราปล่อยใจตัวเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งนั้นเลยไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลย ถ้าเราต้องการให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราต้องบังคับใจตัวเองให้ได้เราต้องหยุดใจตัวเองให้อยู่เมื่อเราบังคับใจเราไม่ได้หยุดใจเราไม่อยู่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะนั้นในผู้ ป, ผปฏิบัติเนี่ยได้พิจารณามองให้เห็นสัจ ธ, ธรรมคือความเป็นจริง มองให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันอย่าไปมองในอดีตอย่าไปมองในอนาคตเพราะอาดีตเนี่ยมันผ่านมาแล้วเราไม่จ้องมองแล้วองคสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่าให้มองที่ตัวเองมากที่สุดให้อยู่กับปัจจุบันมากที่สุดให้รู้เท่าทันเนี่ยในกายในใจในอารมณ์ในความคิดในความรู้สึกเนี่ย รู้ในรูปของตัวเองรู้ในเวทนาของตัวเองรู้ในสัญญาของตัวเองรู้ในสังขารของตัวเองรู้ในวิญญาณของตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเช่นเดียวกันเมื่อรูปเกิดขึ้นเนี่ยมันตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปคิดดูในร่างกายเราเนี่ยมีอะไรตั้งหลายอย่างที่เกิดมาแล้วมันก็ต้องดับไป เกิดมาแล้วมันก็ต้องตายไปมีทั้งรูปขันห้าของเราเนี่ยเนาะกายของเราเนี่ยมีทั้งเวทนานี่คือสิ่งที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ได้บอกไว้เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประพฤติปฏิบัติได้ประพฤติปฏิบัติยังไงเราก็หนีไม่พ้นแม้กระทั่งรูปองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่าขันห้ามีอะไรบ้าง เวทนาอีกอย่างหนึง่งเวทนาก็คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นและทำให้เกิดทุกข์นั้นคือตัวเวทนาตัวสัญญาคืออะไรตัวสัญญาคือสิ่งที่รู้ได้หมายจำและก็ตัวสังขารสังขารที่อยู่กับกาย แล้วก็ตัววิญญาณเห็นไหมเรามีความตายตั้งแต่ยังไม่ตายเลยตัววิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยเาใช้สำหรับผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่เละลนไปแล้วคาว่าวิญญาณเนี่ยคืออะไรวิญญาณคือสิ่งที่ทำให้ร่างกายรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆภายในร่างกาย เราลองคิดเราลองพิจารณานี่ว่าขนาดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราคิดว่าเราตายได้หรือเปล่าเราก็ตายได้เช่นเดียวกันบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรูปเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นสังขารเกิดขึ้นวิญญาณเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่มีตัวรูปเราก็จะไม่มีตัวตนเราไม่มีตัวเวทนาเราก็ไม่รู้ความเป็นไปในร่างกายภายในจิตใจเราเราไม่มีตัวสัญญาคือสิ่งที่รู้ได้หมายจำสิ่งที่รู้ได้หมายจำในที่นี้เราก็ต้องรู้ตัวเองเราต้องจำได้ในสิ่งที่เข้ามากระทบณนะปัจจุบัน ไม่ใช่ในอดีตหรือในอนาคตสิ่งที่เข้ามากระทบในขณะนี้เนี่ยเรารู้ทันหรือเปล่าเรารู้ได้ไหมจำไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบใจเราบ้างในขณะนี้ ตัวสังขารก็เช่นเดียวกันสังขารก็มีสองอย่างสังขารที่มีใจคลองกับสังขารที่ไม่มีใจคลองเราลองคิดดูว่าสังขารที่ไม่มีใจคลองคืออะไรสังขารที่ไม่มีใจคลองก็คือดวงจิตดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วโดยที่ไม่มีกายนั้นเขาเรียกว่าสังขารที่ไม่มีใจคลองแต่ในขนาดนี้เนี่ยทุกคนเป็นสังขารที่มีใจคลองอยู่แต่เราจะประครับประครองใจเรา เราจะประคับประคองใจเราได้มากน้อยแค่ไหนเราจะประคับประคองใจเราได้อย่างไรแล้วเราจะประคับประคองกายและใจเราไปถึงไหนนี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดกว่าและตัววิญญาณก็เช่นเดียวกันตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัวรับรู้วิญญาณเนี่ยเปรียบเสมือนสิ่งเลื่อน พูดถึงความเป็นจริงแต่วิญญาณในที่นี้หมายถึงทำให้เราสามารถรู้ความเป็นไปในร่างกายทำให้เราสามารถรู้ในขณะจิตที่มันกําลังคิดรู้ในขณะจิตที่กําลังปรุงแต่งรู้ในขณะจิตที่มันกําลังเกิดความอยาก รู้ในขณะจิต ท, ที่กำลังเกิดความโลภความโกรธความหลงคือทุกอย่างถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรถ้าเรารู้ทันในสิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้ทันในสิ่งที่เป็นไปในวัฏฏะก็คือการเวียนว่ายใจเกิดที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้ตอนนี้อารมณ์อาจจะหงุดหงิดก็ได้อารมณ์อาจจะโมโหก็ได้อารมณ์อาจจะไม่พอใจก็ได้ อารมณ์มีความรู้สึกเบื่อก็ได้นี่ไงคือความเป็นไปในสังขารของเราเองความปวดเมื่อยมันก็เริ่มเกิดความเหนื่อยล้ามันก็เริ่มเกิน น, น, กก น, นี่คือความเป็นไปในวัตจกคือการเวียนว่ายใจเกินแต่ถ้าเรารู้ถ้าเราเข้าใจถ้าเราตามทันเราปล่อยมันไปเราไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเพิ่ม มันก็ไม่สามารถทำอะไรภายในกายและใจเราไ ด, รา ด, ด้ใจเราก็จะเกิดอยู่ตลอดกายเราก็จะเกิดอยู่ตลอดใจเราก็ไม่ดับกายเราก็ไม่ดับไปแต่ถ้าเราไม่มีสติปรรัญญาตามดูตามรู้เนี่ยใจเราก็ดับกายเราก็ดับไปด้วยนี่ไงก็ถึงบอกว่าความตายเนี่ยไม่ต้องรอให้ตายก็ตายได้ ความตายเนี่ยไม่ต้องรอให้เกิดขึ้นแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บมันก็ตายได้เช่นเดียวกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งความคิดมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปแม้กระทั่งอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับ เมอกระทั่งความรู้สึกมันเกิดขึ้นและเดี๋ยวมันก็ดับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าวัฏฏะก็คือการเวียนว่ายที่อยู่ภายในกายอยู่ภายในใจเราเนี่ยอยู่ที่เราจะพิจารณาได้หรือพิจารณาไม่ได้ อยู่ที่สติปัญญาของเราทั้งสิ้นอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเราทั้งปวงเลยถ้าเราตามไม่ทันเรารู้ไม่ทันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นภายในใจเราเนี่ยก็สามารถทำร้ายเราได้ตลอดเวลาเพราะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติทำทั้งหลายเมื่อเราได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติทำแล้วสิ่งที่ผู้ประพฤติปฏิบัติพึงรู้เนี่ย คือพระธรรมคำสังรร่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่ผู้ประพฤติพึงปฏิบัติตามก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ได้ประพฤติตามใจตัวเองเราไม่ได้ประพฤติเพื่อความรู้ของตัวเราเองเราไม่ได้ประพฤติเช่นนั้นถ้าเราคิดเช่นนั้นเราประพฤติเช่นนั้นเนี่ยเรายังคิดไม่ถูกต้อง ประพฤติยังไม่ถูกทางยังไม่ได้ไปตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้วางเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางให้เราได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วเราก็คิดว่าเรามีความรู้สึก เบื่อห น, น่ายบ้างไม่อยากจะทำบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดาแล้วมันก็ย่อมดับไปธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างองค์สมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่เรามาคิดเองเรามาปรุงแต่งเองว่า ส, Jedi, it, story, Follow ường. สิ่งที่เกิดขึ้นภายในกายสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนล้วเราหาทางแก้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราหาทางออกไม่ได้มันเป็นเพ us, era, ราะอะไรมันเป็นเพราะใจเราปรุงแต่งเป็นเพราะใจเราคิดอย่างที่ได้บอกไปข้างต้น เพราะเป็นเพราะกายเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยเป็นพระธรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้ว และเป็นพระธรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสัรู้แล้วได้เข้าใจแล้วได้เห็นแล้วจึงสัตรธรรมความเป็นจริงจึงนำมาเป็นพระธรรมคำสั่งสอนเพื่อให้ผู้ ป, ปฏิบัติตามเนี่ยไม่ตกไปสู่ที่ชั่วไม่ตกไปสู่ที่ต่ำ เพราะนั้นก็ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้พินิษพิจารณามองให้เห็นสภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตนเองมองให้เห็นกายตัวเองมองให้เห็นใจตัวเองแล้วเราจะรู้ว่ากายและใจเราเนี่ยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วอะไรบ้างที่เราได้รับอะไรบ้างที่เกิดขึ้นภายในกายและใจของเรา ก็ให้เก็บไปคิดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติต่อไปในวันข้างหน้าเอาละในเช้านี้ก็ให้ทุกคนค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิเพื่อที่จะได้กวดน้ำพร้อมกับพระพิสุส่งอีกครั้งหนึ่งก็ค่อยๆลืมตาอย่าไปรีบลืมตา <c oughs> การที่เราจะออกจากสมาธิก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำอะไรโดยที่เราไม่รู้ตัวทำอะไรโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยทำอะไรมันก็ไม่ดีทำอะไรมันก็ไม่สมบูรณ ถ้าเรารู้ตัวก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะออกมาดีทุกอย่างเรารู้ตัวอยู่ทุกขณะเรารู้อยู่ทุกความเคลื่อนไหวของกายรู้อยู่ทุกความเคลื่อนไหวของใจเนี่ยและเราจะเข้าใจกายเรามากขึ้นเราจะรู้ใจเรามากขึ้น